ด้วยดวงจิตบูชามหาราชข้าพระบาทจงรักสมัครมั่นน้อมถวายพระพรชัยองค์ราชันทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ น, นิรันกาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีขอเชิญเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2562 ณหอประชุมราชมงคลทั ญ, ญบรุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโรลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีอำเภอทั ญ, ญบรุรีจังหวัดปทุมธานีศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี เปิดซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังั่นด้วยพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรในสไตล์การออกแบบรองรับ การจัดกิจกรรมทั้งโซนอบรมสัมมน า, ารองรับได้ 10-200 ที่นั่งโซนห้องเรียนฝึกอาชีพโซนนิทรศการสร้างสรรค์ไอเดียร้อมพื้นที่โถงขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่ 280-750 ตารางเมตรรองรับโซนกิจกรรมและแคมเปญพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันทั้งโปรเจกเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และ WiFI ความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร 0 92 318 9887หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation and Knowledge Center ศูนย์นวัตรกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชันเพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดาลใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูว้ดำเนินรายการวัชรินทร์คันทชา ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz มคุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันวัชรินทร์คณาชามารับหน้าที่เป็นเพื่อนอยู่กับคุณผู้ฟังใน เย็นๆของวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ18นาิก30นาทีจนถึงเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะคะ30นาทีต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องเป็นราวที่ดิฉันจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะทางคลื่น 89.5 วิทยุราชมงคลตรงนี้นะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นเรื่องที่เราอยากจะคุยแบบ สร้างสรรค์เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะฟังแล้วสบาย อ, อกสบายใจเพื่อที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยพละกกำลังนะคะเรื่องเล่าที่หยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องความสำเร็จและความพยายามของสตาร์ทอัพไทยนะคะเป็นสตาร์ทอัพที่พยายามจะพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นเรื่องราวของ คุณชาญรงแสงเดือนนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาเองเขาก็ทำงานเป็นอาร์ตดี렉เตอร์ในบริษัทโฆษณานะคะแห่งหนึ่งแล้วก็พอวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาน่าจะหาธุรกิจอะไรที่น่าจะทำเป็นของตัวเองได้นะคะตอนนั้นก็มีเรื่องของโปรโตีนมแมลงเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในในโลกนี้นะคะว่าโปรโตีนจากมาแมลงเนี่ยเป็นแหล่งโปรโตีนที่ เป็นซูเปอร์ฟู้ดค่ะเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสนใจแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราเรารู้จักแล้วก็ทานแมลงเนี่ยมานานมากแล้วนะคะโดยคุณชันลงเองเนี่ยก็ไปเชื่อมกับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ทำการวิจัยเบื้องต้นเนี่ยอยากจะพัฒนาเพื่อที่จะให้ได้โปรโตีนแมลงเนี่ยมาทำเป็นอ า, อาหารสารัตว์ ตอนนั้นพยายามหาพ่อแม่พันธุ์ของมแมลงเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นอาหารสัตว์นะคะเป็นพ่อแม่พันธุ์แมลงเฮอร์มิเทียอิลูเซนนะคะหรือมแมลงฐานเสือมาเลี้ยงแล้วก็หาความรู้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเขาก็มาทำบริษัทนะค ะ, ะจัดตั้งบริษัทเป็นบริษัท Biodiversity Corporation จํจำกัดนะคะตรงนี้ก็ได้ทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากการศึกษา ข้อมูลของเขาเนี่ยก็พบว่าตัวอ่อนของแมลงทหารเสือเนี่ยหาหีบเอากรดไขมันออกมาก็จะได้สารสําคัญอยู่2ชนิดนะคะก็คือกรดลอริกที่พบในมัฟเท้าแล้วก็มีโอเมก้าสาเออขอโทษค่ะโอเมก้าสโอเมก้าหแล้วก็เนะคะซึ่งจะพบในปลาทะเลน้ําลึกโดยสารทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นสารที่เป็นที่ต้องการของในหลายอุตสาหกรรมค่ะโดยเฉพาะอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสําอางอาหารสัตว์ ด้วยนะคะจึงไม่ใช่แนวทางที่จะ เ, เขาก็เลยคิดว่าในอาหารคือเอาไปทำในอาหารสัตว์ก็ได้แหละแต่พอทำแล้วมันไม่ ไม่ดีที่สุดเพราะว่ามูลค่าถ้าไปอยู่ในอาหารเสริมกับเครื่องสำอางเนี่ยมูลค่าของสารสกัดจากโปรตีนแมลงตัวนี้มันน่าจะได้มูลค่ามากกว่านะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะสามารถเอาไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับโปรตีนแมลงที่เขากำลังทำอยู่ได้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเทรนของแมลงเนี่ยกลังมาด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะฉีกแนวมาทำสารสกัดมูลค่าสูงเพื่อต่อยอดใน การทำเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมแทนนะคะเพราะว่าในอาหารสัตว์นั้นคู่แข่งเยอะด้วยนะคะโดยเขาเองนั้นได้ไปติดต่อขอรับทุนการสนับสนุนงานวิจัยต่อจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA นะคะในโครงการแ <c oughs> ปลงเทคโนโลยีเป็นทุนเพื่อที่จะพัฒนาเพาะเลี้ยงแล้วก็ทำการทาการสอบรดไขมันจนได้คาตอบทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้ว่ามีสารที่สามารถช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระ มีศักยภาพในการนำมา พ, พัฒนาเป็นเครื่องสำอางลดริ้วรอยได้นะคะแล้วในปี2560กเนี่ยก็ยังได้ทุนวิจัยต่อนะคะในโครงการของสเปรเฮดของกระทรวงวิทยาศาสตร์โดย เป็นการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับสารต่างๆหรือโปรโตีนที่สกัดออกมาได้แล้วเนี่ยจากตัวอ่อนแมลงบริษัทก็ไปพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนะคะเพื่อใช้รองรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอาหารเสริมแล้วก็อาหารสัตว์เศรษฐกิจหรือสัตว์เลี้ยงจำนวนได้เม็ดเงินจาก จากกระทรวงวิทย์อีก40ล้านบาทนะคะล่าสุดก็ยังร่วมทุนกับบริษัทอ่างแก้วโฮลดิ้งจำกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะให้อ่างแก้วโฮลดิ้งเนี่ยเข้ามาถือหุ้น 30% และอีก 30%, 30เนี่ยเป็นของ global green chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GGC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PTT GC ที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โอริโอเคมี Me, นะคะซึ่งได้จากไขมันสัตว์แล้วก็น้ำมันพืชที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในหลายผลิตภัณฑ์นะคะเช่นเชื้อเพลิงสะอาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพวกครีมพวกโลชั่นเข้ามาถือหุ้นเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดตลอดระยะเวลาที่ดิฉันเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเขาใช้เวลาในการพัฒนาต่อยอดนะคะจากพบสารสกัดโปรตีนเข้มขน้นจากเจ้าแมลงฐานเสือเนี่ยนะคะ แล้วก็มาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะให้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมด6ปีนะคะตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยคุณชนาโรงก็บอกว่าโอ้มีท้อบ้างแล้วลหละเพราะว่า 6, 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนตลอดเลยนะคะแต่ในปีที่6นี้ละค่ะคาดว่าจะมีรายได้เบื้องต้นเนี่ยประมาณ50ล้านบาทในการที่ บริษัทสามารถผลิตสารตั้งต้นแล้วก็ผลิตเป็นครีมออกมานะคะโดยตัวครีมที่เขาเปิดตัวเนี่ยคุณชนณรงค์ได้เปิดตัวครีมกระชับคอหน้าอกและก้นซึ่งจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะผ่านตัวแทนจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์นะคะเป็นแบรนด์โ r ริกซึ่งเป็นเซรั่มมีส่วนผสมของดอกดาวเรืองด้วยนะคะกับสารฟอ ฟลิฟต์จากตัวอ่อนของแมลงฐานเสือแล้วก็เป็นอาหารเสริมของไก่ชนเป็นอาหารเสริมเพื่อพัฒนาระบบทางเดินอาหารในลูกไก่อาหารเสริมลูกปลานิลเพื่อเพิ่มอัตราการลอดแล้วก็น้ำหนักให้กับปลานิล น, นะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณชานลุงก็บอกว่ายังรับจ้างผลิตให้กับบริษัทที่สนใจที่จะมีสูตรเฉพาะและจาหน่ายสารวัตถุดิบตั้งต้นให้กับ ผลิตภัณฑ์ความงามอาหารเสริมเพื่อสร้างรายได้แล้วก็กระจายความเสี่ยงในระหว่างที่ทำการตลาดภายใต้แบรนด์สินค้าของตัวเองนะคะโดยเขาเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี2565เนี่ยจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อที่จะระดมทุนขยายธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็จำหน่ายในต่างประเทศที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะกลังจะบอกว่าเส้นทางของการ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าการแปลรูปให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีวัตถุดิบตั้งต้นเยอะมากนะคะนี่ตัวอย่างคุณชารงค์เนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะของความพยายามของสตาร์ทอัพไทยที่จ ะ, ะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางด้านการเกษตรของบ้านเรานะคะเดี๋ยวพักสักครู่นึงค่ะกลับมาในช่วงหน้าดิฉันมีเรื่องราวดีๆในช่วงอยากรู้จากทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟังพักรู้เดียวค่ะ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลายโโยัา ย, า ย, าลายแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University ใสด้วยแดดทอแสงงดงามเสมอเปรียบชีวิตคนแม้ยางทนลำบากแต่หากใจไม่ยอมแพ้ต้องพบแสงสว่างอย่าได้สนใจว่าใครคิดยังไง เราเดินตามความฝันมันคงเอาไว้เก็บเอาน้ำตาแล้วเอยหน้าฝ่าใบชีวิตเกิดมาแค่นั้นครับ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 โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถ บ, บำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายอบไอน้ําสมุนไพรระคบสมุนไพรดูแลมารดาลหลังคลอดเปิดให้บริการทุกวันที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี ศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตะเลิกสอบถามโทร 02-592-1991 เนพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเงรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ารายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงอยากรู้นะคะอยากรู้เนี่ยจะเป็นเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งอยากรู้เนี่ยเป็นเรื่องราวจากทั่วโลกเป็นเกล็ดที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจดิฉันจะหยิบออกมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะฝากเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องที่อยากรู้ สามารถที่จะฝากไว้ในเพจส่วนตัวนะคะที่เพจเล่าเป็นเรื่องของดิฉันนะคะในช่วงอยากรู้ช่วงนี้เป็นเรื่องดีๆเรื่องที่น่าคิดนะคะจากทางฟากฝั่งของซานฟรานซิสโกนะคะซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในสหรัฐที่ประกาศห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะควบคุมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในหมู่วัยรุ่นซึ่งตอนนี้มีตัวเลขที่ น่าตกใจตรงที่ว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเป็นข้อมูลจากคณะกรรมการเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งจะอนุมัติกฎหมายห้ามจำหน่ายแล้วก็แจกจ่ายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจนกว่าจะผ่านการพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพจากองค์การอาหารและยาสหรัฐที่จริงแล้วเมืองต่างๆในหลายๆรัฐของสหรัฐเนี่ยก็เริ่มจะปลุกกระแสในเรื่องของการแบนบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพราะว่า ม, มันมีตัวเลขแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่า ง, างน่าตกใจนะคะรวมถึงกําหนดอายุของผู้ซื้อด้วยว่าจะต้องมีอายุ21ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเมืองใหญ่ๆอาจจะยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเข้มงวดเท่ากับที่ซานฟรานซิสโกแต่ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเมืองใหญ่ๆหันมาเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะคะโดยข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกรรันโรคพบว่าในปีสองพมีนักเรียนมัธยมสู่บุหรี่ไฟฟ้า มากกว่า 3.6 ล้านคนโดยในส่วนนี้เนี่ยยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละเ8เมื่อเทียบกับปี2560แล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยมีนักเรียนมัธยมต้นที่มีสัสดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ48นะคะเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียว78กับ48นี่คือสูงมากนะคะ โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับทางอินเดียทางฝั่งเอเชียของเรานะคะที่กำลังจะพิจารณาแบนรน์ผลิตภัณฑ์เลียนแบบยาสูบอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าผลิต ภ, ภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้รวมถึงชิ้ชานะคะแบบไฟฟ้าโดยจะถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในหมวดเดียวกับยาและเครื่องสาอางชาวอินเดียเนี่ยนิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากเพราะว่าถูกโปรโมทว่าจะช่วย ช่วยในเรื่องของการอยากจะเลิกบุหรี่แล้วก็มักจะถูกลับเลาะลักลอ บ, บ, บ, บ, บนําเข้าอย่างผิดกฎหมายนะคะโดยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมซึ่งทําให้เหล่านักสูบทั้งหลายเนี่ยอายุสั้นลงแต่ก็ยังไม่มีผลการศึกษาที่ชัดเจนนะคะว่าผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์สูบนิโคตินแบบใหม่เนี่ยจะมีผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวหรือเปล่าแต่นี่ก็เป็นความพยายามก็ ในหลายๆประเทศนะคะในเมืองหลวงในหลายๆมหานครทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปเนี่ยอย่างเช่นในยุโรปหรือในยุโรปตอนออกพื้นที่นอกนอกนอกร้านอาหารเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สิงอมควันเนี่ยเขาจะออกมาโอ้โหแบบ ถนนหนทางนี้ก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นบุหรี่นะคะก็จะปวดหัวมากเลยเพราะว่าเขาไม่ให้สูบในร้านแต่ก็ออกมาสูบข้างนอกกันตรงนี้น่าจะเป็นความพยายามที่ดีนะคะที่หลายๆประเทศน่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะมาทางด้านในเรื่องของการาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันบ้างเป็นความพยายามของยูนิโคลทั่วโลกนะคะที่เตรียมที่จะเลิกแจกถุงพลาสติก แล้วเปลี่ยนมาเป็นถุงกระดาษโดยจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะบริษัท Fast l i t เทล i n g เจ้าของยูนิโคลเตรียมที่จะเปลี่ยนการใช้ถุงพลาสติกเป็นถุงกระดาษนะคะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนในปีนี้แล้วจะคิด ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เรียกใช้ถุงพลาสติกเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเก็บขยะพลาสติกที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอยู่นะคะโดย u n i ิคอร์โด ย, icorn, โดย Fast Retailing เนี่ยบอกว่าตามแผนเนี่ยบริษัทตั้งเป้าที่จะลดจำนวนการใช้พลาสติกที่ใส่สินค้าหรือว่าเป็นถุงบรรจุพันธุ์ภายในร้านของบริษัททั่วโลกลงให้ได้85หรือประมาณ 7,800 ล้านตันต่อปีนะคะ ภายในปี2020โดยนับตั้งแต่วันที่1กันยายนี้ร้านยูนิโคลทั้งในญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศที่เคยใช้ถุงพลาสติกก็จะเปลี่ยนไปใช้ถุงกระดาษรีไซเคิลหรือว่าวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม, ม อ, อื่นๆส่วนยูนิโคลในบางภูมิภาคที่ใช้ถุงกระดาษอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นในยุโรป ก, ก็จะเริ่มหันมาใช้ถุงกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน ส่วนการเก็บเงินพิเศษสำหรับลูกค้าที่ยังคงต้องการถุงพลาสติกเนี่ยก็จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้เลยนะคะหรือหลังจากที่ยูนิโครแล้วก็ร้านกูนอกญี่ปุ่นอย่างยุโรปอเมริกาเหนือและเกาหลีใต้ส่วนในญี่ปุ่นเนี่ยจะเก็บเงิน10เยน10เยนนี่ก็จะคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ 2.84 2ส่บาท84สตางค์นะคะบวกกับภาษีถุงพลาสติกหนึ่งใบโดยจะเริ่มใช้ใน วันที่14มกราคมปีหน้านะคะนอกจากนี้เนี่ยบริษัทยังเตรียมเลิกจะใช้ถุงบรรจุพันพลาสติกสำหรับสินค้าบางรายการนะคะแบบที่เราเข้าไปแล้วก็จะมีพลาสติกห่อสินค้าอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพวกรองเท้าที่ใส่ในบ้าน ก็จะเตรียมหาวิธีอื่นมาใช้ทดแทนการใช้บรรจุภัธฑ์จากพลาสติกนะคะโดยบริษัท Fast Retailing เนี่ยเป็นเจ้าของร้านค้าทั้งหมด 3,500 แห่งทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งร้านยูนิ l ออีกประมาณ 2,100 แห่งนับจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนี่ก็เป็นความพยายามหนึ่งนะคะ มาดูทางด้านนิวซีแลนด์บ้างในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของถุงพลาสติกเหมือนกันนะคะนิวซีแลนด์เนี่ยเาขาประกาศกฎหมายมาล่าตั้งแต่ปีที่แล้วว่าร้านห้างร้านทุกร้านเนี่ยงดการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะแล้วปีนี้จะเริ่มมีโทษละถ้าเกิดร้านค้าเหล่านั้นเนี่ย ยังฝ่าฝืนอยู่นะคะโดย AFP เนี่ยก็รายงานว่านิวซีแลนด์เนี่ยห้ามการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งยังเป็นทางการแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาพร้อมกับกำหนดอัตราโทษรุนแรงสำหรับธุรกิจที่ยังคงแจกมันอยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยมลภาวะจากพลาสติกกลายเป็นความกังวลมากขึ้นทั่วโลกนะคะเนื่องจากว่า นกหลายตัวในทะเลหลายล้านตัวนะคะแล้วก็สัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้นมเนี่ยกว่าแสนตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการติดอยู่ในบรรจุพันธุ์หรือว่าการกินมันเข้าไปนะคะทุกๆปบีบริษัทที่ละเมิดข้อห้ามของนิวซีแลนด์เนี่ยจะโดนปรับะระวังโทษสูงสุดคือ 1,000 100, งแสดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ2ล้านบาทนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมในยูจีนแซกนะคะยูจีนแซคนะคะ ออบอกว่าชาวนิวซีแลนด์เนี่ยมีความภาคภูมิใจทีเดียวละที่บ้านเมืองของเขาเนี่ยมีชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องการให้แน่ใจว่าประชากรของนิวซีแลนด์เนี่ยยึดมั่นในความ เ, เหมือนกับสัตยาบันที่ลงร่วมกันว่าประเทศของเรานั้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะการเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยภายใต้กฎหมายใหม่เนี่ยก็จะทาให้พลาสติก น้อยลงไปนะคะแล้วก็จะไม่ถูกคือจะถูกดึงออกไปจากระบบพะอะพลาสติกที่ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยจะถูกดึงออกไปจากระบบนะคะโดยกฎหมายนี้เนี่ยได้ประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่า บรรดาห้างร้านห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยในหรือซ u p ป r เปอร์มาร์เก็ตในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ถุงประเภทนี้อยู่แล้วนะคะก็แต่ก็ยังดีตรงที่ว่าตอนนี้พอร้านต่างๆไม่ได้ใช้ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดขึ้นหรือด้วยจิตสำนึกที่ได้ถูกปลูกฝังมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการรีไซเคิลเนี่ยจะเอามาทาอย่างไรนะคะ เ, เป็นการ ประกาศงดการแจกถุงพลาสติกก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำให้ค่านิยมนี้เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อกันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องดีๆที่ทั่วโลกควรจะยินดีนะคะถ้าเกิดปัญหานี้ได้รับการแก้ไขนะคะหมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการเป็นเรื่องเป็นราวกลับมาพบเรื่องราวที่ อยากรู้และอยากเล่าโดยดิฉันวัชรินคาราชาได้ใหม่ในวันอาทิตย์เวลา18นาิกานาทีจนถึงเวลา19บนาฬิกาโดยประมาณนะคะหรืออยากจะฝากเรื่องเล่าหรือเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้หยิบเอามาเล่าในรายการนะคะฝากไว้ได้ที่เพจส่วนตัวค่ะ เ, เพจเล่าเป็นเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คนผู้ฟังสา ม, มารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18นากนาทีทาง FM89.5 มแ้ารับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจเฟ e บุ๊ k วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี